ภาวตุสาพมังฆรังราคันตุสาปเทวตาสาพพูทานุภาเวนัทธาโสเทผวันตุเตผวตุสาพมังครังราคัตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัทธาโสเทผวันตุเตวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทว วตาสะพัสังทานุภาเวนัสนาสุวธีภาวันตุเต